ต่อไปนี้ขอให้เป็นเวลาของการซักถามข้อสงสัยต่อไปช่วงถามตอบปัญหาถามคําว่าคันธพะเป็นอันเดียวกับปฐมวิญญาณหรือไม่เวลาพูดถึงคันธพะจะไม่พูดถึงปฐมมจิตเพราะเป็นการพูดถึงสัตว์ทั้งตัวที่มีปฐมมจิตรวมอยู่ด้วยแล้วฉะ น, นั้น ขันทพะจึงเป็นคำที่ครอบคลุมพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคันทพะเป็นคำพูดตามสำนวนพระสูตรที่ใช้คำพูดตามภาษาสามัญเรียกคนทั้งตัวแทนที่จะพูดถึงจิตที่เป็นสภาวะแบบอภิธรรม